3.17 การลงทุนให้กับชีวิตวงเล็บเปิดเจ็มกราคม2550ในวงเล็บสองจุดจุดนาที34วงเล็บปิดคนเราแต่ละคนนะเราเรียนรู้สิ่งอื่นๆอยู่ตลอดเวลาแต่เราละเลยที่จะเรียนรู้ตัวเองคนทั้งหลายวิ่งหาความสุขอยู่ตลอดเวลาเลยแต่หาไม่เจอความสุขเหมือนภาพลวงตานะเหมือนเงาวิ่งไล่จับไม่ได้สักทีตั้งแต่เด็กเราก็หาความสุขมาเรื่อย จนแก่จนจะตายก็าหาไม่เจอหรอกเหมือนเหมือนจะได้แล้วก็หลุดมือไปตลอดเวลาเลยฉะนั้นคนในโลกต้องการความสุขแต่คนในโลกเที่ยวหาความสุขจากภายนอกไม่สามารถเข้ามาค้นพบความสุขภายในตัวเองได้ความสุขที่ไม่ได้อิงอาศัยคนอื่นนะความสุขที่เรารู้จักเป็นความสุขที่อาศัยคนอื่นอาศัยสิ่งอื่นถ้าเราอยู่กับคนนี้ถึงจะสุขถ้ามีคนนี้ถึงจะสุขนะถ้าไม่เจอคนนี้ถึงจะสุขถ้าได้ท ร, รัพย์สินอย่างนี้ถึงจะดีมีความสุข ความสุขเราจะอิงข้างนอกหรืออิงชื่อเสียงเกียรติยศที่เป็นของข้างนอกพระพุทธเจ้าสอนว่าวิธีหาความสุขอย่างนั้นเราจะไม่เจอความสุขที่ถาวรหรอกความสุขจริงๆเนี่ยให้เราเรียนรู้เข้ามาในกายในใจตัวเองนะเพราะความทุกข์มันอยู่ที่กายความทุกข์มันอยู่ที่ใจถ้าเราเรียนรู้อย่างถ่องแท้ในกายในใจตัวเองถึงวันหนึ่งความทุกข์จะไม่เข้ามาสู่ใจเราเราจะสามารถมีความสุขอยู่ได้ในทุกๆสถานการณ์เลย แต่ว่ากว่าจะทําได้เหนื่อยนะมันเป็นการลงทุนให้กับชีวิตของเราเองพวกเราแต่ละคนเราลงทุนให้กับชีวิตของเราตลอดเวลาอย่างเราต้องไปเรียนหนังสือตั้ง10ปี20ปีนี่ก็คือการลงทุนให้กับชีวิตเราต้องไปทํามาหากินเหนื่อยแทบตายเลยนะหวังว่าวันหนึ่งได้เงินทองมาแล้วจะมีความสุขอะไรเนี่ยก็เป็นการลงทุนให้ชีวิตเราอุตสาห์ทํางานก็เป็นการลงทุนหวังว่าวันหนึ่งจะได้ว่างๆแล้วสบายแต่มันไม่ได้สักที ถ้าเรามาลงมือปฏิบัติเรามาคอยรู้กายคอยรู้ใจเนี่ยเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดเลยวันหนึ่งเราจะมีความสุขคนทั้งหลายลืมกายลืมใจของตัวเองตลอดเวลารู้สึกไหมเวลาที่เรานึกถึงตัวเองน้อยกว่าเวลาที่เรานึกถึงคนอื่นใจเราจะหนีไปหาคนอื่นทั้งวันเราลืมตัวเราเองเราไม่ได้สนใจเรารักตัวเองนะแต่เราละเลยตัวเองเหมือนอย่างเรารักคนในบ้านเราคนไหนแต่งงานแล้วเราก็รักแฟนเรานะ รักคู่เราแต่เรามักจะละเลยไปสนใจที่อื่นก่อนคนในบ้านเอาไว้ทีหลังสุดสิ่งที่เรารักที่สุดคือตัวเองเราก็ละเลยมากที่สุดเลยเป็นสิ่งสุดท้ายที่จะนึกถึงนะนึกถึงตอนใกล้จะตายแล้วโอ้จะตายแล้วเสียดายจังเลยฉะนั้นหัดรู้วิธีหัดรู้ก็คืออย่าใจลอยเวลาที่ใจลอยใจจะหลงไปคิดมันไปรู้เรื่องที่คิดแต่มันจะลืมกายลืมใจอันที่สองการเพ่งเพ่งกายเพ่งใจ ใจก็จะนิ่งๆิ่งทื่อๆก็ไม่ใช่การรู้กายรู้ใจศัตรูมีสองอันเผลอไปคิดนึกปรุงแต่งเรื่องโน้นเรื่องนี้ลืมกายลืมใจอันที่สองเพ่งกายเพ่งใจเอาไว้เวลาเผลอไปที่อื่นลืมกายลืมใจทำวิปัสสนาไม่ได้หรอกวิปัสสนาต้องรู้กายรู้ใจเวลาที่เราเพ่งนะไม่ลืมกายลืมใจแต่เราเพ่งเอาไว้นิ่งๆิ่งกายก็นิ่งใจก็นิ่งมันนิ่งผิดความจริง เราไม่สามารถรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้ฉะนั้นวิปัสนาเนี่ยต้องรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริง